ทางราชการได้ยกความสำคัญของเด็กให้เป็นจุดที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญกันเพราะเด็กในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าประเทศชาติของเราในวันหน้า ก็ต้องเป็นของเด็กในวันนี้ถ้าเราได้อบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นเด็กดีให้เป็นคนดีต่อไปประเทศของเราก็จะเป็นประเทศที่ดีเพราะมีคนดีนำพาประเทศชาติดังนั้นหน้าที่ของ ผู้ใหญ่โดยเฉพาะบิดามารดาจึงต้องคอยอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนให้ได้รับสิ่งที่ดีให้ได้รับความรู้เพื่อที่จะให้เขาเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ มีคุณภาพพ่อแม่นี้เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกเพราะอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุดลูกจะเรียนรู้อะไรต่างๆจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะได้รับสิ่งที่ดีจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่ดีลูกก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากพ่อแม่ดังนั้นถ้าพ่อแม่อยากจะให้ลูกดีพ่อแม่ก็ต้องทาตัวให้ดีเป็นตัวอย่างของลูกๆเช่นถ้าอยากจะให้ลูกไม่เล่นการพนันพ่อแม่ก็ต้องไม่เล่นการพนัน อยากจะให้ลูกไม่พูดจาหยาบคายพ่อแม่ก็ต้องไม่พูดจาหยาบคายอยากจะให้ลูกไม่สูบบุรีดื่มสุราหรือยาเสพติดพ่อแม่ก็ต้องไม่สูบบุรีไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดอยากจะให้ลูกเข้าวัดพ่อแม่ก็ต้องพาลูกเข้าวัด อยากจะให้ลูกทำบุญพ่อแม่ก็ต้องพาลูกให้ทำบุญอยากจะให้ลูกรักษาศีลพ่อแม่ก็ต้องรักษาศีลอยากจะให้ลูกปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติธรรมการกระทาของพ่อแม่นี้จะเป็นการสอนลูกที่ดีที่สุดดีกว่าการสอนด้วยปากกล่าว แบบแม่ปู่สอนลูกปู่แม่ปู่สอนให้ลูกบอกให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉไปเฉมาพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่สอนให้ลูกเป็นคนดีแต่พ่อแม่ไม่กระทำตัวให้เป็นคนดีลูกก็จะไม่ฟังคำสอนลูกจะดูความประพฤติ เป็นเป็นหลักเพราะแม่ทำอะไรถ้าเขาชอบทำอย่างนั้นเขาก็จะทำลูกนี้เป็นของเราเพียงครึ่งเดียวคือทางร่างกายนี้เป็นของเราเขาได้ร่างกายจากพ่อแม่แต่จิตใจของเขานี้ได้บุญได้บาปเป็นพ่อแม่ เวลาเขามาเกิดนี่เขามีบุญและบาปของเก่าติดตัวเขามาอยู่อยู่ที่พ่อแม่ว่าจะดึงส่วนบุญหรือส่วนบาปของเขาออกมาถ้าพ่อแม่ทำบาป ก, ก็จะดึงส่วนบาปของลูกๆออกมาเช่นถ้าพ่อแม่ไม่รักษาศีลลูกที่มีนิสัยที่ไม่รักษาศีลอยู่ ก็จะทำตามแต่ถ้าลูกมีนิสัยบุญมากกว่านิสัยบาปถึงแม่พ่อแม่จะทำบาปแต่ลูกก็อาจจะไม่ทำบาปก็ได้เพราะนิสัยที่ชอบทาบุญไม่ชอบทำบาดนี้มีมากกว่าในตัวเขาแต่ถ้าลูกที่มีนิสัยที่ชอบทำบาป มากกว่าทาบุญถึงแม้มาเกิดในครอบครัวที่ชอบทาบุญลูกก็จะไม่ชอบทําบุญจะแอบไปทําบาปอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ก็ต้องทําความเข้าใจและต้องยอมรับความจริงว่าบางครั้งบางคราวบางคนเราก็ไม่สามารถที่จะดึงให้เขา ไปในทางที่ดีได้เพราะเขามีนิสัยที่ชอบไปในทางที่ไม่ดีเ mm hmm. ช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามพ่อแม่อยากจะให้ลูกไปทางหนึ่งแต่ลูกอยากจะไปอีกทางหนึ่งเช่นพ่อแม่อยากจะให้ลูกทำมาหาเกินเจริญรุ่งเรือง มีความร่ำรวยมีตำแหน่งมีหน้ามีตาแต่ลูกชอบไปวัดชอบไปปฏิบัติธรรมชอบบวชอย่างนี้พ่อแม่ก็ต้องทำใจถ้าเราสอนแล้วบอกเขาแล้วแต่เขาไม่ต้องการเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ นอกจากเราจะจับเขาล่ามโซ่ติดไว้ในบ้านเท่านั้นเราถึงจะป้องกันหรือห้ามไม่ให้เขาไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้ทำได้แต่ถ้าเขาอยากจะไปทำในสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่ติดนิสัยของมาอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริง อย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปเสียใจกับเขาหน้าหน้าที่ของเรามีเพียงแต่บอกทางบอกสิ่งที่ดีแก่เขานำเขาพาทานำพาเขาทาตอนที่เขาเป็นเด็กๆตอนที่เขายังทำอะไรเองไม่ได้แต่พอเวลาที่เขาโตแล้วเขาทำอะไรของเขาเองได้แล้ว เขาก็จะไม่อยากให้เราทำนำพาเขาทำเราก็ต้องเพียงแต่บอกให้เขารู้เท่านั้นบอกแล้วถ้าเขาไม่ทำตามเราก็ต้องหยุดอย่าไปพูดมากยิ่งพูดก็จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายเพราะจะ ทำให้เขาไม่พอ อ, อกพอใจไม่ชอบเราได้เกลียดเราได้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเขาไม่สามารถรับเอาไปปฏิบัติได้เราก็ต้องยอมรับความจริงหรือหวังว่าในวันข้างหน้าเขาอาจจะกลับใจเปลี่ยนใจหลังจากที่เขาได้ประสบกับ สิ่งที่ไม่ดีจากการกระทาของเขาบางครั้งนี้เขาจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองเช่นบอกเด็กว่าไฟนี้มันร้อนถ้าเด็กยังไม่เคยรู้จักความร้อนของไฟว่าอย่างไรไปห้ามเด็กไม่ให้เล่นกับไฟเด็กก็ไม่ฟังเด็กนี้มีนิสัยที่ชอบรู้ชอบศึกษาชอบทดลองดังนั้น เราเพียงแต่บอกเขาไว้เพื่อให้เขาจะได้มีข้อมูลไว้พิจิตพิจารณาแล้วถ้าเขาไปทำอะไรเขาก็จะได้รู้ผลที่เกิดขึ้นมาและเขาอาจจะเชื่อเราต่อไปเช่นเราบอกว่าไฟมันร้อนอย่าไปเล่น อย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่ามันร้อนแต่ถ้าก็อยากจะเล่นก็าอาจจะลองแตะดูแทนที่จะไปจับทีเดียวเลยพอลองแตะดูพอรู้ว่าร้อนเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะไม่ไปแตะไฟอีกต่อไปก็ได้ถ้าเราไม่บอกเขาเขาไม่รู้เขาอาจจะไปจับมันอย่างเต็มที่เลยก็ได้ก็อาจจะ เป็นอันตรายกับเขาได้แต่ง้นการสอนของเรานี้เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าเขาจะรับได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองเมื่อเขาไม่รับเราก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องปล่อยให้เขานำเนินชีวิตของเขาไปตามความที่เขาเห็นว่าดีสำหรับเขา แล้วผลดีหรือไม่ดีที่ปรากฏตามาทีหลังจะเป็นบทเรียนสอนเขาไปเองแล้วเขาก็อาจจะลึกถึงคำสอนของเราและอาจจะทำให้เขาเริ่มเชื่อคำสอนของเรามากขึ้นไปดีกว่าที่เราจะไปยัดเยียดไปบังคับแล้วก็ไปทะเลาะกันหรือบางทีถึงกับโกรธเกลียดกัน มองหน้ากันไม่ได้อันนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกๆเพราะเราต้องเราต้องมีความรักกันมีความสามัคคีกันเราอย่ามาให้ความเห็นความคิดที่แตกต่างกันนี้ม า, าทําให้เราต้องแตกราแตกความสามคัคคีแตกความรักกัน เช่นบ้านเมืองสมัยนี้ในครอบครัวก็มักจะแตกแยกระหว่างสีเขียวสีขาวสีดำสีอะไรเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ม, มีมุมมองที่ต่างกันทางที่ดีถ้าเห็นว่าไม่ เข้าใจกันเมื่อไม่เห็นเหมือนกันก็อย่ามาบังคับกันดีกว่าเขาอยากเขาชอบสีเขียวก็ให้เขาไปหาสีเขียวเขาชอบสีน้ำเงินก็ให้เขาไปหาสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องของจรลนิสัยมีสุภาษิต ท, ที่สอนไว้ว่าให้เราสมวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนตาก็คือส่วนที่ ไม่เหมือนกันเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเราชอบกินข้าวต้ม อ, อย่างนี้ก็อย่าไปชวนกินข้าวต้มเขาก็จะไม่ไปกันเรแต่ถ้าเราชอบกินขนมเขาก็ชอบกินขนมอย่างนี้ก็ชวนไปกินขนมร่วมกันได้ดังนั้นถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสงบเราต้องเคารพสิทธิของกันและกัน คือถ้าดาบใดการกระทาของเขาไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นเราก็ต้องยอมรับในสิทธิของเขาส่วนตัวเขาจะดีหรือจะเลวจากการกระทาของเขานี้ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยอะไรไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุขมีความเมตตามีความสามคัคคีต่อกันเราต้องรู้จักแบ่งรู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรที่จะทำร่วมกันสิ่งไหนไม่ควรจะทำร่วมกันอย่าบังคับกันนอกจากว่าเป็นเรื่องที่เสียหายจริงๆเช่นทำผิดกฎหมายหรือทำผิดศีลธรรมอย่างนี้ เช่นลูกจะเอายาเสพติดมาเสพในบ้านอย่างนี้เราก็ต้องมีมาตรการห้ามปรามเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นได้ถ้าก็อยากจะเสพด้านเราห้ามเขาไม่ได้ก็ให้เขาไปเสพที่นอกบ้านเวลาถูกตำรวจจับเขาจะได้เป็นคนถูกจับคนเดียวไม่ทําให้คนอื่นต้องมาถูกจับด้วย เราก็ต้องทำใจก็แล้วกันคิดว่ามนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้ก็มีสา ม, สามชนิดด้วยกันคือบุตรที่มาเป็นลูกของพ่อแม่นี่มีสามแบบด้วยกันบุตรที่เหมือนพ่อแม่หรือเคยอยู่ในระดับเดียวกันบุตรที่ดีกว่าพ่อแม่และบุตรที่แย่หรือเลวกว่าพ่อแม่ ถ้าเราได้บุตรที่อยู่ในระดับเดียวกับเราหรือดีกับเราเราก็ถือว่าเป็นบุตรของเราถ้าเราได้บุตรที่เลวกว่าเราก็ถือว่าเป็นกรรมของเราที่เราจะต้องรับแต่เราก็สามารถรับแบบจิตใจที่ไม่ทูกได้ถ้าเรารู้ความจริงของบุตรเราว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นบุตรของเราหรอก บุตรของเขาเป็นเพียงบุตรในทางร่างกายเท่านั้นเองเขาได้ร่างกายของเราแต่ใจของเขาผู้ที่จะมาขับร่างกายที่จะมาสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยเขามาจากพบก่อนชาติก่อนหลังจากที่ร่างกายเก่าของเขาได้ตายไปแล้วใจของเขา ก็ไปรับผลบุญผลบาป พ, พอเขาได้รับผลบุญผลบาปแล้วเขาก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แต่บุญและบาปหรือนิสัยดีหรือไม่ดีที่เขามีติดมากับเขานั้นก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เขาไปทําอะไรต่างๆ อันนี้หน้าที่ของพ่อแม่ก็มีอยู่ตรงที่ให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเมื่อเขารับทราบแล้วเขาจะเอาไปทําตามได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาแล้วเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาแล้ว แต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราก็ถือว่าเราบกพร่องเราก็จะไม่ได้ให้ประโยชน์กับเขาซึ่งก็จะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะถ้าเขาไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็อาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ แต่ถ้าเราบอกเขาแล้วถ้าเขาเชื่อก็จะเป็นบุญของเขาเป็นประโยชน์กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่บอกเลยนี่เขาก็จะไม่ได้รับบุญไม่ได้รับประโยชน์และเขาอาจจะไปทำในสิ่งที่เสียหายได้ดังนั้นพ่อแม่ก็มีอิทธิพลต่อลูกแต่สิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าพ่อแม่ก็คือบุญกรรมของเขา บและบาปของเขาที่เขาได้ทำมาในอดีตดังนั้นขอให้เรารู้ขอบเขตของความสามารถของเราในการที่เราจะอบรมสั่งสอนลูกของเราว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรแล้วเขาจะรับไปได้มากน้อยเพียงไร เราก็ต้องเข้าใจในขอบเขตความสามารถของเขาเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วการเลี้ยงลูกเราก็จะไม่ทำให้เราต้องมาทุกข์ใจไม่สบายใจที่เราทุกข์ใจไม่สบายใจก็เพราะเราอยากให้เขาทาตามที่เราสอนเขาแต่เราไม่รู้ความจริงว่าเขา ตามได้หรือไม่ได้พอเขาทําตามไม่ได้เราก็เกิดความเสียใจบางทีก็เกิดความโกรธนะบางทีก็เกลียดลูกไปเลยทั้งๆ ท, ที่รักอยากจะให้เขาได้ดีได้ดีแต่พอเขาไม่ทําตามใจเราเราก็เลยกลับไปโกรธเขานะอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้ว่า เขาทำไม่ได้ก็เพราะว่าเขามีกรรมเก่ามามากมีมีมีสิ่งที่เป็นคอยขวดขวางไม่ให้เขาทำตามที่เราบอกเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดอย่าไปเสียใจถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว่างนั้นเวลาที่เขาจะเป็นอะไร เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็เพียงแต่เรื่องของร่างกายของเขาเช่นถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หาอยู่หายาหาหมอมารักษาให้ถ้าเขาไปติดคุกติดตารางเราก็ไปเยี่ยมเขาแต่เราไม่สามารถที่จะไปอยู่ในคุกในตารางกับเขาหรือไปทุก์ แล้วจะทำให้เขาออกจากคุกตักอาตรลางมาได้อย่าไปทุกข์กับวิบากกรรมของเขา<ม>เช่นเดียวกับลูกกับพ่อแม่ก็เหมือนกันลูกเห็นพ่อแม่ทําอะไรไม่ดีลูกอยากให้พ่อแม่ทาเลิกทามันก็ทําไม่ได้ลูกจะไปสอนพ่อแม่ไปบอกพ่อแม่ก็ไม่ถูกฐานะอีกลูกนี้ไม่มีหน้าที่สั่งสอนพ่อแม่ ถ้าลูกไปสั่งสอนพ่อแม่โดยที่พ่อแม่ไม่ได้ขอร้องพ่อแม่จะเสียใจเพราะพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงลูกมาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่เปลี่ยนชีวิตของเขาเราทำได้เพียงแต่ทำตัวเราเป็นตัวอย่างเช่นเราอยากให้พ่อแม่เข้าวัดเราก็มาวัดอยู่เรื่อย ชวนเขามาถ้าเขาอยากจะมาก็มาถ้าเขาไม่อยากจะมาก็อย่าไปเสียใจเพราะเขาก็เป็นเหมือนลูกเขาก็มีบุญมีบาบมีกรรมของเขามาเหมือนกันเขาก็มีนิสัยที่ดีละมนิสัยที่ไม่ดีติดตัวของเขามาเหมือนกันเขาชอบอะไรเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาชอบ เขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเข้าวัดเขาก็จะไม่เข้าวัดถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะดื่มสุราเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้เราทำได้อย่างมากก็ทำตัวเราเป็นตัวอย่างเราไม่ดื่มสุราเราเข้าวัดถ้าเขาเห็นว่าการกระทําของเรานี่ทา มีผลดีตามมาเขาก็อาจจะทำตามก็ได้ถ้าเราอยากจะสอนพ่อแม่บอกพ่อแม่ก็มีอยู่กรณีเดียวก็คือถ้าเขาถามถ้าเขาถามเราถามความคิดเห็นของเราอย่างนี้เราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ถามเขาไม่สนใจเขาไม่ฟังคำพูดของเราก็อย่าไปพูดดีกว่า เพราะจะเป็นอากรตันยูไปได้จะทำให้เขาเสียออกเสียใจได้เราควรให้ความเคารพเขาให้ความสำคัญของการความควารพมากกว่าสิ่งอื่นใดถึงแม้อยากจะสอนอยากจะบอกเขาอยากจะให้เขาดีแต่ถ้าไปสอนแล้วทำให้เสียความเคารพเสียความกรตันยูก็ไม่ควรที่จะกระทำ เราก็ต้องทำความเข้าใจแบบเดียวกับพ่อแม่ทำความเข้าใจกับเราว่าต่างคนต่างมีบุญมีบาปมามีนิสัยดีนิสัยไม่ดีติดตัวของตนมาเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องแก้ไขไม่มีใครที่จะมาแก้ไขนิสัยของตนเองได้และการที่จะแก้ไขนิสัยของตนได้ ก็ต้องเห็นโทษของนิสัยของตนก่อนว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีถ้าตนเองเห็นโทษแล้วตนเองก็จะอยากแก้ไขเองแต่ถ้ายังไม่เห็นโทษต่อให้พูอื่นมาชี้โทษมาเขาก็จะไม่สนใจเขาก็จะไม่ฟังเช่นไปบอกคนที่เสพยาเสพติดคนที่เล่นการพนันคนที่เสพสุรายาเรา ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะไม่เห็นโทษเขาจะต้องเห็นโทษในตัวเขาเองเช่นเขาเสพสุรายาเมาจนเกิดโูกภัยไข้เจ็บขึ้นมาเขาเห็นโทษของการเสพสุราแล้วต่อไปเขาก็อาจจะเลิกได้เพราะเขาไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วย นี่คือเรื่องของการสั่งสอนผูน้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่อนกว่าเราหรือสูงกว่าเราเราต้องรู้จักฐานะว่าเราอยู่ในฐานะใดเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้การรับการสั่งสอนถ้าเป็นผู้สอนก็สอนได้แต่เมื่อสอนแล้วเขาไม่ฟังก็เราก็ต้องหยุดถ้าเราไม่ได้ มีหน้าที่สั่งสอนเราเป็นผู้รับฟังคำสอนเราก็ไม่ควรที่จะไปสอนผู้ที่เขาสั่งสอนเรานอกจากประพฤติตัวเราเองทำตัวเราเองเป็นตัวอย่างเป็นการสอนแบบทางอ้อมให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี่ดีส่วนเขาจะทำตามหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่บุญที่วาสนาของเขา ว่าเขามีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เช่นลูกบวชอย่างนี้พ่อแม่จะมีดวงตาเห็นธรรมจะตามบวชหรือไม่พ่อแม่บางคนเห็นลูกบวชก็บวชตามลูกอย่างหลวงตามหาบวัวท่านบวชแล้วแม่ของท่านก็บวชตามพี่น้องบางคนก็บวชตามอันนี้การกระทำของเรานี่แหละ จะเป็นวิธีที่สอนผู้อนได้ดีที่สุดดีกว่าการพูดเช่นพระพุทธเจ้านี้ท่านก็สอนด้วยวิธีกรรทำท่านทรงสระละราชสมบัติออกบวชจนได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจา้าหลังจากนั้นท่านก็สังสอนผู้อผู้เห็นการประพฤติของท่านว่าเป็น สิ่งที่ดีที่งามผู้คนก็ปฏิบัติตามกันออกบวชกันแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็ขอบวชเป็นภิกษุณีญาติของพระพุทธเจ้าก็ออกบวชเป็นภิกษุพร้อมกันถึงห้ารูปด้วยกันอันนี้นี่แหละคือบา ร, รมีหรืออำนาจของการกระทาว่าการกระทานี้มีอำนาจ มากกว่าการพูดอย่างที่มีคำพูดว่าสิบปากว่าไม่สู้เท่าหนึ่งตาเห็นเราพูดไปว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้แต่ตัวเราเองไม่ได้ทำตามที่เราพูดคนฟังเขาฟังแล้วเขาก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เหมือนกับเราพูดแล้วแล้วเราทำตามที่เราพูดผู้เห็นผู้ดได้ยินก็จะ เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้านี้พวกเรามีความศรัทธามีความเคารพเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้ที่เราสั่งสอน <c oughs> เช่นบุตรธิดาของเราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเราเราก็ต้องปฏิบัติตัวของเรา ก่อนก่อนที่เราจะสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแต่เมื่อเราสอนแล้วถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาไปตามญาตากรรมของเขาการที่เราจะมาทุกมาเสีย อ, อกเสียใจ ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเพราะเราไม่สามารถสอนให้เขาทาตามที่เราสอนได้นี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเกิดโทษทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไปเปล่าๆดังนั้นขอให้เราจงรู้จักวิธีสั่งสอนผู้อื่นและรู้จักวิธีทาใจเวลาที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ นี่คือเรื่องของการสอนลูกหลานสร้างลูกหลานให้เป็นลูกหลานที่ดีเพื่อจะได้เป็นผู้นําพาประเทศชาติไปสู่ที่ดีที่งามต่อไปเป็นหน้าที่ของเราที่เราไม่ควรที่จะปล่อยปากละเลยควรที่จะหมั่นสอนลูกหลานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไปเรื่อย ันกว่าเขาจ ะ, จะเจริญเติบโตและดำเดินชีวิตของเขาไปได้อย่างดีงามดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของวันเด็กแห่งชาตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขทั้งกับตัวเราเองและกับบุตรธิดาของเราที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้าการเธอ